คลงร่างคลองโลกใจจึงควรได้รับการอบรมรึกษาไปตามเหตุตามผลซึ่งเป็นแนวทางที่ชอบทำเพื่อจะเรีนนำนั้นออกแสดงออกมาเพื่อเป็นกิจการงานที่ชอบทำการแสดงออกทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อได้รับการอบรมโดยเหตุด้วยผลที่เรียกว่าธรรมนียย่อบเดินไปด้วยความราบดื่นลีงามทุกอย่างไม่ว่าส่วนด้อยวนใหญ่ขึ้นอยู่กับใจนี้ทั้งนั้น มันหนักก็หนักมันยกไม่ขึ้นยกใจถ้ายกขึ้นมันก็ควรจะผ่านจะพ้นไปควา ม, วามวกองทุกข์ไปทั้งหลายแล้วทั้งหลายไปได้แล้วมีใครก็นอนจมอยู่ในกองทุกข์ทำไมจึงไม่ยกมันขึ้นนี่เพราะมันยกไม่ขึ้นมันชอบอยู่ในทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวสิ่งที่เราไม่รู้นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นนายเราพูดแล้วก็จะพ้นจากกิเลสไง เราไม่รู้ทําทำให้อยากทำทำแล้วก็เปิดผลขึ้นมาเป็นความเดือดร้อนแก่ตเนเองแคบผู้อื่นต่อเนื่องมันเป็นหลักไม่มีที่สิ้นสุดมันยากที่ว่ายกของหนักคือจิตใจยกได้แล้วก็พ้นจากสิ่งที่กดท่วงคือสิ่งที่หนักมากๆนั้น อันเป็นสีที่ต่าชาเร็วทามนั่นออกไปได้โดยลำดับจิตก็ยกขึ้นง่ายจะยกใส่ความภาพความเพียรยกใส่สติปัญญาอะไรก็ยกได้งา่ายเพราะเป็นอัดเป็นทำไปแล้วอัดทำเป็นความละเอียดควมภีรภาพสุขุมควมเพีรภ า, มามพภามากเมื่อจิตกับธรรมเขาเข้ามีความเกี่ยวเนื่องกันเข้าไปโดยลำดับแล้วจิตก็ย่อมเบาจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นชัวร์ความมีความชอบแล้วและในระหว่างที่จิตจนอยู่กับ ความหนักหน่วงทวงใจนั้นแหะมันยกอะไรยากสู้จมอยู่นนไม่ได้ในความรู้สึกคือความจมมันมีธรรมชาติที่ให้จมนั้นมันมีน้ําหนักมากกว่ า, เ, าเที่ยวก็เหมือนกับว่าไอแม่เหล็กเศษเหลือเล็กน้อยก็วิ่งเข้าหาตัวเหล็กหมดตัวแม่เหล็กหมดเพราะนั้นมันมีกํำลังมากดึงดูดเมื่อที่เหล็กท่หาอาสวะก็มีอานาจ ด, ดึงดูดปิตใจให้เข้าสังจมอยู่ภายในตัวเอง ไม่สามารถที่จะแยกแยกออกได้ท่านจึงต้องเอาอสิ่งที่ผลักดันออกคือถังผลักดันออกจากหล่มลึกคือกิเลส อ, อาสวะที่ว่าห้วงน้ำต้องพยายามลากพยายามเข็นพยายามต่อสู้โดยถือหลักธรรมเป็นเครื่องมือไม่ลดละ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 แม้จะลำปากลำคาญเพียงไรเราก็จะต้องตะเกียบตะกายเพราะไม่ต้องการที่จะจมอยู่ในสิ่งสกลกโกกโสมมขึ้นเป็นกองทุกข์ล้นลวนนั้นพระเทเจ้าท่านก็ต้องทรงคิดอย่างนี้เหมือนกันก่อนที่จะจะเสด็จสนะหน้า ส, า ส, สมบัติสิ่งที่รักที่ชอบใจทั้งหลายออกทั้งทั้งพิโลกทั้งหลายก็ชอบใจกันทั้งนั้นไม่มีใครสามารถจะทําได้แต่พระองค์ทําไมจึงทําได้เช่นนั้นก็เพราะความคิดความเห็นดังที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นสำคัญ้องพยายามตัด ลูกใครใครจะมารักเมียใครใครจะมารักสมบัติสิ่งของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิ่งที่มีมีคุณค่าในหัวใจมนุษย์ทั้งนั้นแม้ตัวเองก็ต้องมีถือว่ามีคุณค่าจิตใจเองต้องมีคุณค่าและไม่อยากจะได้รับความทุกข์ความลําบากในการเสียสละในการประพฤติตนเพื่อ อ, อัดเพื่อทําโดยถือว่าเป็นความลําบากไม่อยากสียละจิใตใจเพราอความลําบากเช่นนั้นแต่พระองค์ก็ยังต้องทรงเสียสละ สยสสละจนกระทั่งเหมือนกับว่าโลกวันไหวไปเลยอมันเหนียวแน่นขนาดไหนพี่เลดเลยเหมือนกับโลกธาตุวันไหวเวลาเสด็จออกไปสรงผนวชแล้วมีใครทจะมีความสามารถอาหารมีความภาคเพลินความอดความทนดังประพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นาศาสนาจึงเกิดขึ้นมาจากทุกเนี่ยทุกมุมแห่งความดีทั้งหลายที่จะเป็นตัวอย่างแก่โลกได้เป็นอย่างดียิ่ง น้ำที่กลางเมื่อสักครู่นี้ว่ามันขี้เกียจนั่งีไปบวชเสียดีนั่นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ในช่างส่วมในช่างห้องน้ำํำนี่ศาสนาไม่ใช่ห้องน้ําห้องส้วมหลุมเทมุดเทคู่ไปเทใส่ใสอย่างนั้นได้ยังไงอุตุล่องความภาคความเพี่ยงความเสียสละก็ามอดความทนทึ้งเป็นทั้งตายแล้วจะมีใครก็เป็นพระพุทธเจ้าไปได้น่ะ เนี่ยต้นเหตุที่จะได้ทำอันประเสริฐเลื่อนโลกมาประกาศสอนโลกทั้งหลายท่านได้มาด้วยวิธีนั้นฉะนั้นการที่จะรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ได้โดยลําดับซึ่งมันสั่งจมมาเป็นนานจึงต้องอาศัยความภาคเพียรอย่ากเต็มกําลังความสามารถขาดดิ้นของเราไม่ยอมลดละไม่ยอมถอยหลังถ้าถอยลงไปก็ต้องจมหนาะไม่ถอยแล้ว ไม่จบค่อยขึ้ครานขึ้นมาได้โดยลำดับลำดับแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ร่างกายของเรานี่มันไม่มีประโยชน์อะไรเละถ้าไม่พาทำประโดชนเสียตั้งแต่ในเวลานี้ตายแล้วจะยุ่งกันโอ้โหยุ่งมหายุ่งนนมันรีมันดูไม่ได้เนี่อยเรื่องตายนี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตมากยุ่งกันไปหมดทั้งคนทั้งคนเป็นนะ่ะยุ่งมากคนตาก็ไม่สู้เท่าไหร่ คนเป็นมายุ่งมากอะไรอะไรมายุ่งกันไปหมดแม้แต่พระตายก็ยังยุ่งมากไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยก็ยังเป็นเก็บหมกักเก็บดองเอาไว้ไมันสาบว่ากี่เรื่องกี่เล่าเอามาวุ่นวายยังไลกันมายุ่งดลวยกันโดยไม่มีเหตุมีผลอะไรเท่าที่ควรเลยมันก็ยังเป็นนี่เพราะหัวใจมนุษย์นิยมชอบอย่างนั้นเวลายังมีชีวิตอยู่จะสนใจว่าเพื่อปฏิบัติคุณงามความดีให้เกิด จากสกุลนการนี้ก็ไม่ค่อใจสนใจเวลาตายแล้วจะใ้นั่งกายนี้เป็นประโยชน์มันจะเป็นประโยชน์ได้มากน้อยอะไรถ้าไม่พาทําไปตั้งแต่วันนี้นทําให้มันพอแล้วตายแล้วแบบทิ้งเค่นั้นเองเป็นประโยชน์อะไรถ้าเป็นประโยชน์จะมันจะตายไปทไําไมอันไม่เป็นประโยชน์มันหมดกําลังความสามารถที่จะให้เป็นประโยชน์ต่อไปแล้วมันถึงตายอ่างลงไปอันไหนที่เป็นสาระสําคัญทึ่ได้จากการกระทําจาก ทางร่างกายนี้เราก็เอาไปเป็นประโยชน์ของเรานี่ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประ ม, มาทเวลานี้ชีวิตร่างกายของเรากําลังเป็นประโยชน์ทำกิจการทางโลกก็เป็นประโยชน์ทางธรรมก็เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นงานทั้งสองประเภทนี้ซึ่งเรามีความสามารถอยู่ที่จะต้องทำํำเราก็ต้องได้ทําด้วยความจําเป็นของเราโลกก็ต้องทํางานทางโลกก็ต้องทําเพราะร่างกายจิต ร่งกายร่างขายร่งางกายของเรา น, นี่มีความจําเปน็นในตลอดเวลาือยู่เฉยไม่ได้เอ่ามีเครื่องนุ่งเครื่องหง่มปกปิดสกปรกใการมีที่อยู่ที่อาศัยมีปัจจัยเครื่องสนับสนุนอาหารการบริโภคเต็มไปหมดดูจะไม่กําหนดกดเจนว่ามีมากเพียงไรมนุษย์นี่มันเป็นอย่างนั้นสัตว์ก็ไมก็มีอะไรล่ะผ้านุ่งผ้าห่มเขาก็จมีที่นอนหมอนมุ้งเขาก็จะมี ด, ดาายาแก้ไข้เขาก็จมี เขาก็เป็นสัตว์มาได้แต่มนุษย์เรานี่ถ้าพูดอย่างหนึ่งก็อ่อนแอมากกว่าสัตว์ไปที่ไหนพลุงพลังด้วยเค ร, ร, ร, รื่องมือคมด้วยเครื่องอยู่เครื่องกินเตรียงมันไปเต็มที่เต็มฐานกลัวแต่จะตายนี่ยุกยาปลาแป้งแล้วไปหมดดุง้งไปหมดนี่ถ้าพูดอย่างหนึ่งอ่อนแอกว่าสัตว์ก็น่านี่เราพูดในแง่ที่จะเป็นประโยชน์แก่เราให้ใจงเราอดหานแล้วไม่ตําหนิสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายทําเป็นความชอบทำแล้วสำหรับมนุษย์ที่ทําเป็นนั้นเพราะมนุษย์ฉลาดกว่าสัตว์ และร่างกายหรือความต้านทานของเรามันไม่เหมือนสัตว์มันปิดกัน้นมนุษย์เราเกิดมาด้วยวิธีด้วยเหตุนี้ด้วยต่างกันอย่างนี้ก็ต้องทําแบบต่างกันแต่อย่าให้หลงจนเกินเหตุเกินผลจนลืมเนื้อลืมตัวจนถึงกั บ, บาหาสาระประโยชน์อะไรไม่ได้จากการกระทํานั้นเลยด้วยความนอนใจนี้เป็นตัวเหตุนึกความอ่อนแอเป็นตัวสําคัญเป็นเครื่องหนุนแต่นี้ก็ไม่ค่อยจะเกิดประโยชน์ทางด้านจิตใจเลย ภายการกล่าวนี้จึงกล่าวเพื่อทางด้านจิตใจโดยสําเป็นสิ่งสัมผัสมากเพื่อหายใจในเดิสะดุ้มตัวให้ตื่นเนื้อตืนตัวดังพระกรรมาฐานท่านเชื่ออยู่ในตามป่าตามเขายกตัวอย่างทิ้งสั้นจันมั่นเป็นต้นฮะหยุดยาท่านไม่ติดเนื้อติดตัวไปเลยเวลาเป็นอ้าวโรคนี้เวลาจะเป็นมันมาจากไหนนี่มันก็เกิดขึ้นภายในร่างกายเป็นเจ็บไข้ปวดหัวก็ตามมันเกิดขึ้นที่นี่เวลาหาปัญหาอยู่พยายามมาจากที่ไหนเนี่ย มันเกิดที่นี่มันไม่มันก็ดับที่นี่มันมันไม่มีความสามารถติดต้านทานกันมันก็ตายที่นี่เกิดกับทานเป็นของคู่กันี่โรคพาค่าเจ็บที่เกิดขึ้นกับดับไปมันก็เป็นของคู่กันมันจะไปไหนนี่เป็นว่าพวกสัตว์สาราสิงเต็มอยู่ในป่าในเขานี่เขาไม่มีหยุดมียาเขาก็มีธาตุมีขันเช่นเดียวกันเขาต้องอาจจะมีการเก็บไข้ได้ป่วยเช่นเดียวกับมนุษย์แต่ทําไมเขาถึงไม่สูญพันธุ์ทําไมเรา เนกลัวนัอ่อนแอนักท่านฟิตใจของท่านเอาที่สู้สัตยธรรมเป็นธรรมโอสถเป็นเครื่องแก้ไม่ให้จิตใจลุ่มหลงไปกับสิ่งเหล่านี้อันจะก่อความทุกข์ให้แก่ตนเองพิจารณาจนกระทั้งท่งทงาทราบเรื่องเหตุ่องผลทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายตลอดโรกภัยไข้เจ็บหายไปเลยก็หีดังที่เขียนไว้แล้วในประวาติศาสตรอาเรื่ว่าโรคภัยมันไม่หายแต่ก็ตาม เรื่องจิตใจนั้นต้องต้องมีความเข้มแข็งมีความฉเฉลียวฉะลาดต่อวิธีการปฏิบัติตัวตนเองซึ่งเกี่ยวกับโรคภยัยไข้เจ็บเป็นพิเศษผิดกับคนธรรมดาอยู่มากมายนี่ก็เคยได้ปฏิบัติอย่างนั้นมาเช่นเดียวกั น, นเวลาเก็กบข้าวได้ปวดมากๆแล้วห้ามไม่ให้เขาเข้าไปเกี่ยวข้องเลยถ้าสมมุติมีอยู่กับหมูกับเพื่อนนี่ก็ปิดประตูแล้วบอกทันทีห้ามดังขาดเล้วว่าใครจะมาแตะต้องใคร ย, ยัมาเปิดประตูไปอย่างขาดถ้าไม่ ประตูนี้ไม่เปิดห้ามไมใ้ใครเข้ามาเกี่ยวข้องนะควันนี้จะต้องพิจารณากันอย่างเต็มภูมิเต็มฐานทีเดีย ว, เ, ยวเพราะว่านี่ก็เป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บไข้ทุกขเวทนาที่เราเคยเกิดเพราะการนั่งพรนา ม, มาตั้งหลายหชั่วโมงเรายังสู้ได้ยังพิจารณาแทงทะลุปลูปลงก็ได้ได้เห็นได้ผลได้อาจได้ทาได้ความเฉลียวฉลาดได้ความศักดิ์ศักสทธิที่สําคัญขึ้นมาภายในจิตใ จ, จเราแต่ละครัง้งละครัง้งไม่เคยพลาดไปเลยแต่นี้เวลาเจ็บไข้ได้ปวยนี้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 ถ้าเราพิจารณาสัจธรรมให้เข้าใจอย่างแจ้งตามเป็นจริงแล้วก็ชอว่าเรามีความเฉลียวฉลาดเอาตัวรอดได้โค้นลงไปทีเดียวทุกเกิดขึ้นมาจากไหนเป็นที่ตรงไหนโค้นลงไปโค้นลงไปหมุนติ้วติ้ ว, วเลยจิตจนกระทั่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ในขณะที่เจ็บหนักหนัหายออกไปขยายตัวออกไปขยายตัวออกไป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 ทุกเวทนาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายหายไปร่างกายหายไปในความรู้สึกหรือแต่ความรู้อันหนึ่งที่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากล้วนๆทรงตัวอยู่โดยไม่กําหนดกฎเกณฑ์ว่าอยู่สูงอยู่ต่าอยู่ที่ฝ้าอากาศที่ตรงไหนหายเงียบไม่มีร่างเป็นที่จิงสถิตในความรู้สึกเวลานั้นนั่นเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาแล้วพอถอนออกมาทำโรคหายไปเลย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 รมเลยวัตถุทุสารมีความเกลียเกิดแก่เกิดตายนี้อิ่มพอที่ไหนถ้าอิ่มพอแล้วสัตว์โลกก็ไม่ควรจะบำเพ็ญธรรมเมื่อมันเกิดตายเกิดตายด้วยความทุกข์ความลําบากตามภพชาติต่างๆนั้นมาพอตัวแล้วมันก็พ้นตัวพ ไ, ได้เพราะมันอิ่มพอแล้วแต่นี้ไม่มีความอิ่มพอเกิดเท่าไร ต, ต, ตายเท่านั้นตายเท่าไรเกิดเท่านั้นเพราะสิ่งที่จะทําให้พระเกิดก็คือวิเลศวิเลศมีความพอตัวเมื่อไหรไม่เคยมีความพอตัวนัดติดตันหาสมานาทีแม่น้ำ มหาสมุทรทะเลหลวงอะไรก็สู้ความอยากของกิตนี้ไม่ได้ความอยากนี้ก็คือกิเลสนั่นเองมันมีความพอตัวที่ไหนถ้าเราจะปล่อยให้สิ่งอันนี้พอตัวแล้วกี่กลับกี่กันก็ไม่มีหวังไม่มีฝั่งมีแดนพอที่จะปีนขึ้นได้เลยเพยายาราะฉะนั้นจึงต้องแก้พยายามแก้พยายามคืบคลานพยายามบึกรืนพยายามต่อสู้สลับปัดออก เพื่อจะพ้นหาฝั่งหาแดงที่เป็นความพ้นทุกข์ไปโดยลําดับลําดับด้วยศรัทธาความเปลี่ยนมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญคนคิด พ, พิจารณาเข้าที่นี้พระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านพ้นจากทุกข์ทำไมพ้นที่ไหนพ้นที่กองทุกข์นี่แหละแต่ถ้าไม่พิจารณากองทุกข์หักไม่พ้นต้องถือกองทุกข์เป็นหินรับสติปัญญาให้มีความแก้วกล้าสามารถรู้ทันกับสัจธรรมเหล่านี้ทุกข์ทั้งหลายจะไม่เป็นภัยตอ่อจิตใจเลย ทุกักแต่ว่าทุ ก, กปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นแม้จะไม่ดับไปก็ตามเพราะอํานาจพี่จนแห่งสติปัญญาพิจารณารู้รอบครอบตัวถึงแล้วทุวกเวทนจะตั้งอยู่ตามความจริงของตอนไม่สามารถที่จะเข้ามากระเทือนจิตใจได้เลยเพราะปัญญารอบตัวแล้วจิตก็จะตั้งอยู่ตามความจริงของตอนต่างอันต่างจริงไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันนี่เมื่อความจริงเข้าถึงกันแล้วไม่เกิดเรื่องต่อกัน ไอ้ร่อความจริงกับความปลอมที่มันวุ่นกันอยู่นี่ตัความจําปลอมเข้าแทงหน้าไปเรื่อยๆมันจึงทําให้จิตจมอยู่เรื่อยๆืแล้วบนถึงละเกินบนดับพบความสุขความเจริญแล้วความสุขความเจริญมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ผู้ต้องการความสุขความเจริญมันจมอยู่กับอะไรมันถึงมีความสุขความเจริญไม่ได้ทั้งๆที่เราปรารถนาด้วยกันทั้งโลกเนี่ยถ้าเราไม่แก้สาเหตุในจุดนี้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะไป จะปล่อยให้จิตใจพอตัวแล้วพ้นทุกไปเองจะปล่อยให้กิเลสพอตัวแล้วสลัดปัดทิ้งคนปล่อยคนให้เหมือนเขาว่าเขาปล่อยนะักออกจากจองจำนี้ไม่มีหวังก็ต้องผูกมัดกันไปเรื่อยๆอยู่อย่างนี้นอกจากจะใช้สติปัญญาพิจารณาดังที่ว่านี่ยนั่นแหละศาสนาจึงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งกับมนุษย์ผู้ต้องการความปลุดพ้นจากความจองจําทั้งหลายให้พ้นทุกไปได้โดยลนะําดับนักจึง มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องดลดำเนินเป็นขั้นๆทีเดียวเพราะกิเลสมีหลายขั้นท่านจึงสอนมาตั้งแต่ทานศีลภาวนาทานเพื่อประโยชน์อะไรก็พอจะเสียสละพอจะตัดความตณ์หนีเนี้ยนั่นซึ่งเป็นกิเลสตัวสำคัญอยู่ภายใ น, ในใจิตใจของเราต น, นแล้วจะได้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่รับเสียสละจากเราเช่นการให้ทาน ทานก็แปลว่าการให้ถอดออกไปจากตัวของเราดึงออกไปจากความเป็นสมบัติของเราความตนหนเหนีน่ยวนี่ของเราดึงออกจนมันขาดสละทานไปได้มากน้อยเพียงไรผู้ที่รับทานนั้นก็รับความสุขความสบายเรากําจัดความตนีเหนี่ยวนี่ออกได้แล้วก็มีความผาสุกเย็นใจมันมีความเย็นใจได้ทั้งสองลายคือเป็นความสุขความสบายได้ทั้งสองฝ่ายผู้ได้รับการสงเคราะห์เรา พู้นันก็มีความสุขเเราที่เสียสละเราที่ตัดขาดจากความติดหนี้แน่นอันเป็นสิ่งที่กดท่องจิตใจอยู่มากมายนี้ออกหน้าเราก็เป็นสุขเนท่านเพาะสอนแบบนี้นี่เป็นการปราบกิเลสทั้งนั้นการทำอันใดที่พระเจ้าทรงสอนเราต้องมีความหมายทุกสิ่งทุกอย่างศีลก็เหมือนการระงับดับกิเลสประเภทหนึ่ ง, งนั่นกับภาวนาภาวนานี้เป็นสิ่งที่รวมยอดที่จะฆ่ากิเลสทั้งหลายรวมตัวเข้าไป หดังที่เคยสอนแล้วภาวนาก็คือการเรียนรู้ความจริงของตัวเองซึ่งมันเกิดขึ้นอยู่เสมอในเวลานี้เราพูดเรื่องความจริงไม่ได้เพราะจิตเรามันเที่ยวตําหนิโน่นตําหนินนี่หาความจริงในตัวเองไม่ได้เลยร่างกายเป็นอย่างนั้นส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นส่วน น, น, ว น, นี้เป็นนี้ตําหนิเขาวันนังคำคื อ, อยังุงแต่ไม่เกิดตัวอยู่อะไรหาตําหนิอ ย, อยู่เช่นนั้นเรียกว่าจิตมันปลอมไม่มีความจริงในตัวเองจึงจะชมจริงได้ว่าจริงไม่ได้ มันต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปีการปฏิบัติจึงคอยพิยาคอยสอดส่องดูเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายจิตใจจิตใ จ, จมีความปรุงความแต่งไปอย่างไรบ้างไปทางไรบ้างหนักเบาในทางไหนให้พิจารณาจิตของตัวเองแล้วคอยตําหนิติเตียนคอยกําจัดคอยหักห้ามคอยแก้ไขกันทางกระแสจิตร่างกายเป็นอะไรขึ้นมาความเจ็บ ใครได้ป่วยประการใดให้พิจารณาลงเป็นสัจธรรมให้เห็นตามความจริงของมันอย่าไปฝืนความจ ร, รมิงอย่าเอาความอยากเข้าไปตั้งในตุคเวทนานั้นๆมันจะทําให้ทุกข์นั้นกําเริบขึ้นมากมายเพราะความอยากนี้เป็นเรื่องของกิเลสแต่ความต้องการให้รู้ความจริงนั้นเป็นเรื่องของธรรมให้รู้ด้วยปัญญาพิจิตรพิจารณาให้เห็นแจงแจ้งชัดเจน แ, แล้วมันจะแยกตัวกันออกเองโดยไม่ต้องสงสัยเนี่ยศาสนาท่านสอนให้มีความเข้มแข็ง ให้ปราบปรามกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในตัวเองเป็นเครื่องกดทรวงจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้ไม่มีอันไหนมีแต่กิเลสล้วนๆมีแต่กิเลสทั้งนั้นเป็นเครื่องกดทรวงจิตใจของสัตว์โลกให้นับความทุกข์ความลำบากเราอยากเข้าใจว่าจะเป็นทุกข์เพราะอะไรเลยความทุกข์เพราะดินฟ้าอากาศนั้นมันไม่กระเทือนจิตใจแต่เรื่องของกิเลสนี่กระเทือนมากกระเทือนจิตใจอะไรจะขาดตกบกพร่องไปบ้างถ้าจิตใจเรามีความถาสุขด้วยอริยธรรมแล้วเราพออยู่พอเป็นพอไปทั้งนั้นแต่ถ้ากิเลสมันเดือดร้อนวุ่นวาย มีความกระเสือกกระสนกระวนกระวายโดยความทะยอทยานโดยความอยากความนิ้มหวยเป็นเครื่องรางวีจิตใจอยู่แล้วจะมีอะไรมากมายแต่กองเงินกองทองเท่าภูเขามันก็หาความสุขไม่ได้เพราะตัวนี้เป็นตัวทุกจะเอาความสุขมาจากไหนขึ้นไปนั่งอยู่บนกองเงินกองทองก็จะไปร้องห่มร้องไห้เกิดความทุกข์ร้อนวุ่นวายและสัมรักษาอยู่บนกองเงินกองทองนั่นแหละเพราะตัวนี้เป็นตัวโรคอันําพันจึงต้องแก้ลงที่ตรงนี้ออื ความโลภความโกรธความหลงแต่และชนิดชนิดซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นี้เป็นโรคอันสําคัญที่เกาะอยู่ภายใน จ, ใจิตใจแล้วเอาจิตใจมาเป็นอาหารหูดเลี่ยดจิตใจอยู่นั้นวันนั่งค่าคุณยังรุ่งแต่จิตใจนี้ทนมากถึงจะถูกทรมานด้วยกิเลสประเภทใดๆก็ตามก็ยังทนตัวอยู่นั้นน่ะเราจึงได้มองเห็นความมุ่ของเราอยู่ตลอดเวลาถ้ า, าว่าเป็นสิ่งที่ไม่แน่หนา ม, มันคงแล้วจิตนี้แหลกไปนานแล้วไม่มีจิตอยู่ในร่างคนแล้วร่างสัตว์เลย แต่นี่ก็มีเพราะความทนทานของจิตเพราะฉะนั้นสาระสำคัญจึงอยู่ที่จิต ต, ต้องพยายามตัดแปลงแก้ไขปราบ ป, ปรามสิ่งที่เป็นข้าศึให้จิตของเราได้เบาขึ้นโดยมหดับเราจะกลายเป็นของเบาขึ้นมาเวลานี้จิตกาลังหนักจะนั่งภาวนาก้อนหนักเกิด ค, ความขี้เกียจชี้ค้านัวเจ็บนั่นปวดนี้ บูเวลัมเวลาคิดไปไดเดือนปีนาทีมงไปหมดันเหมือนจะเข้าแรงแกงหรเหมือนก็จะเข้ารงฆ่าสัต ร, ร, รูเหมือนจะถูกฆ่าถูกประหัดทหารเหมือนจะถูกโยนลงในเหวในบ่อถ้าจะนั่งภาวนามันเกิดความทุกข์ความน้อนความลําบากไม่อยากจะทํานี่คอวอมันหนักมากในจิตถ้าจะพาภาวนายกไม่ขึ้นเดินจงโกงนั่งสมาธิสวดมนต์ไหวพระภาวนาจําระจิตใจให้ แต่ถ้าจากความมุ่งสร้างมันไมันไม่อยากทำมันหนักอ่ดอาดหนวยนาย น, นี่มันหนักอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราพยายามตะเกียกตะกายพยายามบึกบืนหลายครั้งหลายผลเข้าไปผลก็ค่อยปรากฏขึ้นมานั่นหละ ย, ยวดธทําทเขาแทรกถึงใจโดยลำดับลำดับแลจิตก็ค่อยเบาตัวขึ้นมาเรื่อยทำความเพลินก็คลองแกวแกวกา สติปัญญาก็ค่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นข uh, ี้เด็ดค่อยหลุดลอยไปหลุดรอยจะไปใจของเราก็ค่อยเบาขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นผ่องใสขึ้นมาโดยลําดับสติปัญญาก็ยิ่งมีความพยันเหมัอนเพียนที่จะคิดจะอ่านใจตองความภาคเลี้ยนทุกด้านดีต่างๆกันหมดนี่จิบมาเบาขึ้นมาแล้วเบาขึ้นโดยลําดับๆจกระทั่งชำระได้หมดทีนี้จะเรียกอะไรประเสริญยิ่งกว่าจิตจะอะไรมาเทียบเทียมจิตนี้ไม่มีเลยเนี่ยที่ว่า เยี่ยมก็เยี่ยมที่สุดดีที่สุดก็คือกิตเร็วที่สุดก็คือกิตเมื่อชำระด้แล้วดีที่สุดไม่มีอะไรเสมอเหมือนในโลกนี้เป็นแก้วสารพัดนะึกหรือภายในจิตใจมีาศาสนามีความจำเป็นอย่างนี้มีาศาสนาเท่านั้นที่จะชุดลากเป็นเครื่องมือที่ทันสมยัยชุดลากจิตใจออกจากลมลึก ขององนาจแหกิเลสทั้งหลายให้พ้นตัวหลุดลอยออกมาได้เป็นลำหนักๆไม่มีสิ่งอื่นใดพุดทธังสังขฆฉามิผู้ได้ปฏิบัติทำทั้งหลายจนมีความารทราบขึ้นภันธะธรรมแล้วจึงเข้าถึงใจทำมังสังฆฉามิถึงใจสังขังสังฆฉามิถึงใจอยู่ที่ไหนพระพุทธเาพระธรร ม, มสงฆ์ปรากฏว่าสถิตอยู่ที่ใจนี่เลยถึงใจตลอดเวลาคำว่าพระพุทธเจ้านิพผานไปเป็นเวลานานเท่านั้นเท่านี้ ไม่มีความหมายอะไรเลยท่านไม่สนใจให้เสียเวลาเวลาเพราะทำมันแท้จริงคืออะไรพุทธะอันแท้จริงคืออะไรสังฆะแท้จริงคืออะไ ร, ค, รคือธรรม ท, ที่ปรากฏเด่นชัดอยู่ภายในจิตเรากิตท่านนี้เท่านั้นทำกับใจนี้เป็นฉันใดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นฉันนั้นเท่านั้นท่านจริงไม่คิดให้เสียเวลาเวลาว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปนานแล้วอื ปฏิบัติยังไงก็มาเนี่ยมักได้ผลตามเรื่องของจิเลสมันหลอก ล, งลวงเราไปท่านไม่เป็นอย่างนั้นสำหรับท่านผู้รู้ธรรมพระพุทธเจ้าเราอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นความรู้อันนี้กับพระพุทธเจ้าเทียบกันได้ทันทีอันนี้ฉันใดอันนั้นฉันนั้นขอให้เข้าถึงคา ม, มือสุดเถอะพุทธะของเรากับพุทธามุขเจ้าจะไม่แยกจากกันเลยฉันใดฉันนั้นเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะพูดให้ให้ยืดยาวยิ่งกว่านั้น เพราะมันเลมันตะพุบเงาเอาตัวจริงก็คือพุทธอันนี้ชันไหนพุทธะพระเจ้าฉันนั้ น, นพุทธะอันนี้จะอันตรฐ า, านศูญไปไหมนี่มันรู้อยู่ในตัวแล้วแล้วพระพุทธเจ้าเป็นยังไงมันก็หมดปัญหาธรรมะแท้จริงคืออะไรมันก็อยู่ที่ใจนี้เป็นอันเดียวกันหมดพระพุทธเจ้า พ, พระธรรมสงโดยหลักธรรมชาติแล้วคือธรรมทั้งแท่งอยู่ภายในใจของผู้บริสุทธิ์นั้นเท่า น, านั้นผู้นั้นจึงไม่มี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 วิเศษวิโสอย่างไรบ้างเป็นธรรมชาติอย่างไรบ้างอันนั้นเป็นธรรมชาตินั้นเหมือนกันนี่จึงหาที่สงสัยไม่ได้นี่แหละเข้าถึงพุทธ ธ, ธรรมะสังคาแท้เข้าถึงที่ใหญเมื่อขี้เดืดหลุดลอไปหมดแล้วมีแต่ธรรมชาติที่อัจฉริยะนี้เท่านั้นอยู่ภายในจิตใจนี่แหละที่เรียกว่าจิตทาให้ประเสริฐก็ประเสริฐประเสริฐได้อย่างนี้แต่ก่อนที่ยังไม่ประเสริฐก็เรียกว่ามันโง่ที่สุดก็คื อ, คอจิตดรงนี้ ผู้ที่ทําให้โง่นั่นแหละมันถึงได้โง่มันมีสิ่งที่ทําให้โง่ธรรมชาติที่โง่นั่นแหละมันอยู่บนหัวใจของของเรามันจึงได้โง่ถ้านั้นออกแล้วจะว่าโง่วัสนาล์มันกม็มีปัญหาที่จะพูดกันรวมอยู่ที่นี่โลกทั้งโลกจะมีความสงบร่มเย็นก็เพราะใจที่รับการอบรม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 โลกที่ร้อนร้อนเพราะใจตรงนี้พาให้ร้อนใจตรงนี้กระสับกระส่ายแล้วสัมแสายหาที่ทึดที่ถือไม่ได้อะไรก็ว่าจะดีอะไรก็ว่าก็ดีดีเลยเกิดความโลโม โ, โลกโมโทโซไปจะทุกอย่างทุหลังทุกวัยวะโลกมาอยู่แนงหน้าของตัวเองทั้งๆ ท, ท, ที่อํานาจของเราไม่มีเลยมีแต่ความรุ่มร้อนเต็มหัวใจก็จะเป็นผู้ครองอํานาจในโลกนี่ยโลกถึง ไ, ได้ร้อน เพราะเจ้าอำนาจของกิเลสนี้มันเป็นตัวร้อนอยู่ภายในจิตโรคหาความลมเย็นไปได้พราะอำนาจกิเลสนี้เป็นไปไม่ได้นอกจากเพราะอำนาจแห่งธรรมเท่านั้นเพราะนั้นจึงควรปฏิบัติธรรมให้มีความลมเย็นภายในจิตใจของเราถึงโลกจะร้อนก็าตามถ้าใจของเรามีเย็นอยู่แล้วเราก็สบายอยู่ในธรามกลางแห่งความร้อนขอให้ทุกท่านนำไปปฏิบัติพิจารณาให้มีความเข้มแข็งเอาให้ดี จิตใจไม่มีปัจฉาอย่าลืมข้อนี้ก็แล้วกันเคยสมมุติกันมาหนุนนานแล้วว่าตายตายนั้นเอาให้เห็นความจริงของความตายเอาให้ถึงจิตนั้นอ่ะจิตตายจริงเหรอพอถึงนี้แล้วมันก็หมดลงหนอง อ, อ้ออ๋อเป็นอย่างนี้เองถ้ามาอารักเอวังวันนี้มีเอวัง <laughs>